เป็นตัวตาา พระองค์ใดอาราเป็นบู้ใจดีเล็กมมาสางพุทโธเป็นู้ใจรุชอบใจโดยพระงเอวิชาจารย์ักปัโญเป็นูทิือความโดยวิชาเอ ยังํามาีิถุพินิาโรมาเสยโยปฺวา แต่ทีใจมานัสเตปะตุเทนะภาสติวะสโรติวะถ้าคนมีใจชั่วแล้วพูดอยู่ก็ตามพัอยู่ก็ตามตาโตนั้นโตตมนาเวติจตัมว่าว่าอาโตปาทิปปานุยมติตาโผล่ โยมังปัสติโตมังปัสิีผู้ใดเห็นธารผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตโยมังปัสีโตมังปาสสีผู้ใดเห็นเราตถาคตผู้รันชื่อว่าเห็นธรรมโยตัมังปัสติโตปัสสีจาสมุป เป็นของที่ไม่จับจับ ต, be okay. ติดใครไม่เหมือนแบบติดที่เลือกสร้างสิดที่อะไรต่างๆมีการจับจับติดนะแต่สิดธิตในการก็เป็นธรรมะนีพวกเราทุกคนสามารถมันติดจิตในการก็สึงธรรมะได้สำับทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าธรรมะอยู่ที่ไหนมันไม่อยู่ที่รูปก็ไป์ใิตบกไม่อยู่ที่วัตแต่ธรรมะกิู่ที่กายที่ใจของเรานี่แหละ ตายเรื่องตายเนี่คือปูที่ก่อนธรรมะตายเรื่องใายเนี่ยคือแรงในการเรียนรู้ธรรมะนะเรามาศึกษาพิการพิจัยของเราเนี่ยเราได้เข้าใจธรรมะได้ก็ธรรมะเรียนรู้พิการและิจนี่แะเป็นเรื่องสำคาที่สุดนะการที่ตั้งต่อเยาวนาขึ้นเนี่เก่ดเพราะแต่จิตตื่นตื่นที่ เป็นปีธรรมเลื่อนที่ที่เราจะมาฟังมาฟังมาศึกษาได้ทุกครั้งทุกบททุกแห่งเรามาปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่มาปฏิบัติธรรมแค่ที่นีนะแต่ที่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นหรือว่าเป็นที่มาศึกษาเพิ่มเติมต่อหายคนสึกษาในการเรียนรู้ป่าใจนะเป็นรู้ป่าใจคุณได่เจ้าท่านเรียนรู้อะไรวิชาเรียนจบมาเป็นแปดาสนะ เรียนศึกษาต้นขาเป็นองสายรใจมามากมายนะแต่เป็นการศึกษา ค, คา้นขาเรื่องภายนอกวิชาควาเรู้ภายนอกมามากมายนะแต่ท่านก็ยังเช้่ใจความนะบางคนคิดว่าต่อตัวต่อพระเจ้าขอขอกตัวก็เพุทธเจ้าไม่เคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายจริงหกือเป่าบอกมาว่าไม่ใช่นะมีรอยเทเซนได้ดูได้ถือได้อ่านได้ดูวนทีวีบอก เ้าเคนแก่เกิด <słu> เ <crumble> <m centre> ็บคนตายเก็ดตำนังออกหที่จีนมาเชื่อถ้าไม่มิใครตันพระพุทธเาได้นานนั้นรอเพราะว่าเื่อีพเานี่ยจะเีนจบวิชาแพ่ยานะเรีนจบวิชาอะไรต่างๆศาสนาตามากมายมันก็ต้องมีการเกี่ยวข้องใช่หมเรียนวิชาแพ่ก็ต้องเกี่ยวข้องกับคนเก็บเรีนเรื่อการแยกเกียวข้อกับคนตายเรื่องเรืองของคนแก่ด้วย ท่านเจาไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องการแก่การเจ็บการตายไม่รู้ท่านรู้อยู่นะท่านนันกเดียดไม่สามารถเดียดจบแค่สามได้หรอกนะใช่ไหแต่งบพอถึงี่สิบเก้าสมัยท่านถึงสนัดว่าการแก่การเจ็บการตายเป็นคนวามทุกข์ของโลกนี้ก่นะอนหน้านั้นอาจจะหมาว่าพวกเราหลายตนนะัวเนาะก็คงเคยเจอคนแก่คนเจ็บคนตายเจอความทุกขนะ์มากมายแต่ละพัก แต่เราทำไมถึงไม่สนับก็คิดว่าอันนี้คือความทุกข์ที่เราต้องเผชิญแต่ก่อนเจอก็คือแก่เราก็รู้สึกว่าครับดอ้งเป็นแบบนั้นเจอเจ็บเราก็รู้สึกอาจะเป็นแบบนั้นว่าเห็นคนอื่นตายก็าวันเราก็เป็นแบบนั้นว่าแต่เราไม่ค่อยสนับจริงๆว่าที่จริงตอนนี้เราก็แกลก็เจ็บแล้วไ็ตายอยู่ทุกขณะอยู่แล้วไม่ต้องไปรอหรือตอนสุดท้ายของชีวิตเรามีตรงนั้นอยู่ทุกข์ขนา มาว่าพะพุทธเจ้าต้องะหนักว่าแต่ตอนนั้นท่านต้องรู้อยู่หรอแต่ท่านไม <the> ่ไตระหนักว่าคือความแก่ความเจ็บความตายนี่แหละมันเป็นความทุกข์ในโลกนี้นี่แหละว่าได้ย่อนาะเรื่องของตายนะตายน่เป็นความแก่ความเจ็บความตายเป็นความทุกข์ของใจแต่ความทุกข์ของใจนี่มีเอกเด่นชัดมากขึ้นพินศษเลยนะอืเราสังเกตนะบางทีคตอนที่เราเป็นเด็กๆตอนเรียนหน้ออยู่ เราคิดว่าถ้าเราเี็นจบเราคิดว่าถ้าเราได้เงินดีๆได้คู่คองดีได้ลูกดีมีฐานะการงนานที่ดีแล้วชีวิตนี้จะมีความสุขนะเราก็คิดแบบนั้นต่างกันแบบนั้นทุกวันทุกคืนทุกหรือว่าสิา่งต่างๆนี้ก็เป็นแรงกระต้นใจทำให้เรากระตุ้นในการเา ร, นานารียนกระตุ้นในการทางานกระตุ้นในการรับผิดชอบในเรื่องต่างๆมากมายแต่เราก็ปราสดว่าสิ่ต่างๆเหล่านั้นที่มันก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง น, นะ ไม่ใช่ความสุขแท่จริงอวามสุขแท้จินอยู่ที่ตรงไหนะอยู่ที่อะไรเองนะคนเรก็พยายามหกกนะนะาคำตอบเนาะอจ่างตปนไหม่อนทางพระพุทธเจ้าตระรู้ก็มีหลายค น, นนะอย่างเช่นพระเจ้าอโโกมาหาราเป็นมหาร า, า, ราชาที่เรียกว่ายิางย่งใหญ่ที่สุดในปราานะเทศอินเดียในประวัตศาสตร์ที่ขอบดีแย่ต่างๆได้มากมายนะ มีทักสินเงินทองมีอานาจมกที่เงินเป็สามมีอานาจมี่เร็จเสร็จขาดแต่ท่านจะพบคพบว่าทันนั้นไม่ใช่ความสุขในชีวิตของท่านเลยนะไม่ใช่ความสุขเลยความสุขที่แท้จร่ที่ไหนถ้ามาศึกษาปฏิบัติทำค่อยรู้จักว่าที่จริงความสุขไม่ใช่อยู่ที่การมีอานาจมีทัพสินเงินทองนะท่าน้พบว่าที่จริงความสุขมาอยู่ที่จักตาที่รู้จักอ่าธรรมุนาสมาตรี หรือวนะ่าความสุขมันเกิดขึ้นขณะที่มีจิตที่สงบที่ เ, เป็นความสุขนะในขั้นที่เรียกว่าควา ม, รร ม, รร ม, มนิ่งกว่าครามสุขจะการได้ติ็ของต่างใช่ไหมมาแล้วเนี่ยพวกเราหลายค น, คนก็คงเคยยิ้เป็นฝามาบ้างหรือว่ารู้สึกมาบ้างับแต่าตรรมาแลวปัญหาที่สาคัญ ก, ก็คือว่าอาณาขนาดสีความทุกข์ที่เราไปเจอนี่มากน้อยขนาดไหนใช่ไหมัาณานาดไหมว่า เราต้องแอะต้องเจ็บต้องตายเราถนัดชัดเจนไหมหรือบางทีเราอาจจะรู้อยู่แต่เราคิดว่าวันนะวันที่จะต้องตายเนี่ยคงอีกหลายปีสำหรับเรานะมีใครเคยคิดบ้างไหมว่าบางทีความตายอาจจะเป็นความนี้ของเราก็ได้นะอาะเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้นะถนักวันนี้หรกอปล่าถ้าเราถนัดว่าไม่จริงความตายมีนเป็นเรื่องเฉพาะหน้า เราจะไม่ลังเลในการใช้ชีวิตเลยชีวิตเราจะรู้สึกว่าเรมนี้คือความสุดท้ายของชีวิ ต, ตอันไหนที่เป็นคุณ ง, งานบางีอัไหนเป็นสิ่งที่เรียกว่ายังไม่สั่เราจะไม่ปล่อยมันข้างค้างไปในชีวิตนี้เลยนะเราจะเลี่ยงผลท้ายชีวิตเราก็จะเรียกว่ามีมีจุดหมายของชีวิตถ้าชีวิตในแวดวงนี้จะดำเนินชีวิตไปอย่างที่ว่าทําคุนงานบางทีอย่างเป็นที่นะเนี่ถ้าเรามี วิถีชีวิตที่แบบนี้นะเราจะเรียกว่ามีชีวิตที่ดีงามได้ชีวิตที่ดีงามก็คือแนี่ชีวิ ต, ท, บบวตที่ไม่สมายการใช้ชีวิตการไม่สบายในชีวิตไม่ใช่เพียงแต่ ก, การคิดนะแต่เป็นการลงมือทําสิ่งที่สําคัญนะพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาแห่งการคิดบางคนที่ว่าเป็นพุทธศาสนาเป็นวิชาของปรัชญ า, านะการเรียกว่าตกเทียงหรือการแลกเปลี่ยนหรือว่าการคิดเอาไม่ใช่ พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการกระทำการศรัทธาคือการปฏิบัติธรรมนะอย่างเราเคยได้ยินคันว่ากรรมฐานเนี่ยกรรมฐานกรรมฐานเป็นภาษาบาลีก็จริงนะแต่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยเรียกว่ากรรมมะกรรมกรรแปลว่าการกระทำฐานแปลว่าที่ตั้งนะกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งของการกระทำนะเราทําอะไรก็แล้วแต่เรามีที่ตั้งของการกระทำตรงนั้นนี่เรียกว่าคือการคํามกรรมฐาน การทํากรรมฐานนี่ไม่ใช่เรื่องใครตัวของเราเลยนะเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เนืะนะ่อแหละคือเรียกว่าเรามีอะไรในการเป็นฐานในการทํรารือเปล่าทำโดยเอาฐานของความหลงหรือทําในฐานของความรู้มันเป็นที่ตั้งมันสําคัญ น, นะอ่าเราทําเพราะว่าความรู้หรือว่าเราทำเพราะความหลงรู้ไม่ถึงว่ารู้เงื้อรู้ตัวประกอบด้วยสติ ปสมาธิและปัญญาแล้วถึงกระทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นหรือว่าหลงหลงด้วยความโกรธหลงด้วยความโลภหลงด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นก็ถึงทำตรงนั้นนี่นะเนี่ยที่ว่าฐานนี่สำคัญที่สุดฐานก็คือว่าพื้นฐานในจิตใจเลยนะจิตใจรู้สึกอย่างไรจิตใจมีอารมณ์ไหนมันก็จะพากายพ า, าวาจาทําแบบนั้นแหละว่เราเคยสังเกตไหมนะ เราจะทำอะไรก็ได้แต่เนี่ยเบื้องต้นเริ่มต้นใ น, นยออกงจิตใจทั้งนั้นนะอย่างที่เราได้สวจนะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าลูกอย่างสําเร็จได้ด้วยใจถ้าเรามีจิตเจตุนามีใจที่ดีนะการจะทําก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเรามีจิตมีใจมีเจตนาที่ไม่ดีการจะทําก็เป็นทางที่ไม่ดีใช่ไหมอันนี้แหละคือฐานที่สําคัญที่สุดของชีวิตเราคือฐานใจหรือว่าฐานจิตเนี่ย ถ้าใจหรือว่าจิตมันฝุ ด, ดีแล้วเนี่ยาการจะทำก็จะดีตามไปด้วยอันนี้แหละเรามาปฏิบัติทำกรรมฐานเนี่ยคือการเน้นย้ําที่การฝุกจิตใจของเราเนี่ยแหละฝุดจิตใจไม่ใช่ีแค่ละชั่วทําดีนะแต่ต้องฝุดให้จิตใจเรียกว่าเป็นจิตใจที่เป็นปกติเป็นจิตใจที่ไม่มีการปรุงแต่งด้วยมาถึงจะครบองค์ประกอบนะที่พระเจ้าท่าสอน การไม่ําความชั่วการทําความดีการฝึกจิตให้บริสุทธิ์ให้ขาวลอกอันนี้แหละคือการฝึกจิตใจในเชิงของกรรมฐานนะอฉะ น, นั้นการปฏิบัติธรรมนี่มันไม่ใช่แค่การนั่งสมาธิการยกมือใต้ชิงหวักหรือการเดินจงกรมเท่านั้นแต่ต้องฝึกให้ถึงใจนะฝึกให้ถึงใจให้รู้ถึงอาการของจิตใจว่าในแต่ละขณะแต่ละขณะจิตใจเรารู้สึกอย่างไรนะ แต่นี้คือว่าหนึ่งก็สลับกับการรู้ในการดูกายของเราไปด้วยเนาะก็อย่างที่อนุมาพูดเบื้องต้นว่าการเรียนกรรมฐานเนี่ยมันเรียนที่กายเรียนที่ใจดังนั้นหลักสูตรของปฏิปทานสี่ะที่เราได้จะมาฝึกกันเนาะก็คือการมาตามรู้กายตามรู้ใจตามความเป็นจริงนะการตามรู้กายตามรู้ใจตามความเป็นจริงก็คือว่าการตามรู้ตามดูในปัจจุบัน กายเนีดมามา่ดีไม่ต้องมาคิดไม่ต้องมาสนใจนะะกายในอนาคตก็เช่นเดียวกันอะยน่าพึงไปกังวลอย่าพึงไปวิตกนะเอากายที่ปัจจุบันนี่แหละะกายในปัจจุบันแสดงท่าไหนเรารู้ทันมันอย่างที่มันเป็นอย่างกายเราสนใจตอนนี้ก็คือกำลังนั่งนทุกคนนั่งอยู่จะนั่งกอดี้นั่งกัดสมาธินั่งขับเทียบก็คือให้รู้ว่ากายกำลังนั่งอยู่นั่งหับตาก็รู้ นั่งลืมตาก็รู้นั่งยกมือนั่งปิดมือก็รู้นั่งตั้งใจฟังก็รู้รู้ไหมรู้อย่างพ่เศษนะไม่ใช่รู้ตอนที่ถามนะแต่ถ้าเรารู้ตัวอยู่ทุกขณะว่ากะลังนั่งอยู่กะลังฟังอยู่หรือบางทีจิตใจมันเปิดคิดไปที่อื่นคิดตามเรื่องที่ฟังบ้างคิดเรื่องอื่นที่ไม่ใช้เรื่องที่เกี่ยวกับการฟังตรงนี้เลยทีเีนะ อันนี้คือการรู้เท่าทันจิตใจที่อ๋อใจบางทีมันก็อยู่ของการฟังนะใจบางทีมันก็อยู่มันก็ไม่อยู่ในกัรฟังนะมันจะเดินออกไปนะหรือบงทีนั่งไปจิตใจรู้สึกมีความสุขมีความเบาสบายนะหรือบางทีจิตใจก็รู้สึกอัดนะไม่เข้าใจรู้สึกสงสัยก็มีเราเห็นเราเห็นตายจิใจนี่แหละครับเราเหจิตนะ กายและใจแสดงประการที ê, ่ใดเรารู้แบบนั้นแี่ไม่ผิดกลาดทำกรรมฐานไม่ใช่แค่การปฏิบัติในรูปแบบนะนถ้าเราสามารถเรียนรู้การทากรรมฐานนี้ได้ทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวทุกขณะที่เราทําอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นฐานในการตามรู้ได้ทั้งหมดเลยนะในกาปฏิบัติธรรมเนี่ยนะต้องทำต้องแต่งเท้าตื่นขับทาแต่เท้าถึงถึง่ตอตอนนอนเนียนะตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่ ฝึกธรรมทานวนะันนั้นนอนเมือ่อไรก็วางธรรมทานวันนะแต่ถ้าเราฝึกเป็นตำนานนะไม่แต่ตอนนอนธรรมทานมันก็ได้เข้าไปคุ้มครองเราในขณะที่นอนดนะ้วยครทำให้จับง่ายทำให้ไม่ฝันะหรือฝันก็ฝันแบบติดใหม่แล้วก็สติรู้ท้องทัดมองทัดความฝันไปทันทีทำให้เรานอนตับพนะักก่นอนเหงือคอันนี้แหละนะธรรมทานพยายามฝึกตั้งแต่เก้าสิบขับนะ มันไม่ยากเกินไปของคนที่ก็รู้แค่ทำงานแล้วกแต่ชั่โมงสิบชั่วโมงที่ต้งหนักแล้วถ้าให้ทำมาธแค่แปดเก้าสิบครั้งนี่มันจะหนักเกินไปหรือเปล่าบาทีอนไรที่แบบนั้นแต่จริงถ้าฝึกสมานิเป็นนะที่ทำสมานิเป็นเท่าไหร่ยิ่งจิตใจยิ่งสบายร่างายก็ไม่ใช่หนักเท่าไหร่นะเพราะว่ายิ่งทำนะยิ่งในการเรียกว่าป่อยวางการคิดนั่ถึงมั่น ปอ่อยวางใจทิ้งหือส่สต่างๆคล้ายๆแต่ก่อนน่ะทุกคนนั่นแหละนะเป็นคนเล็กเหมือนคล้ายๆคนบ้าหอบตา่นะเอนะ่อเเราเห็นแบบเอาง่ายๆใหไม่ได้เกิ ด, ดปูแบบที่ตอนเนคนเก็บขยะแบบนี้เนาะคนเก็บข ย, ยนะอ่ามีลุงใบหนึ่งมีก็เห็นก็เกี่ยวเก็บขยะเรื่อยๆเก็บเรื่อยๆมันก็เย็ดขึ้นเย็ดขึ้นแบกลุงไปอ่ามากบ้างน้อยบ้างตามที่จะหาได้ อาที่จเจตคตินั้นเป็นสินที่ดีเป็นสินที่มีค่าที่จริงนะชีวิตของคนเราเกิดแรงก็เป็นแบบนั้นเหมือนคนเก็บขระยเดิมแล้วก็ถือเอาคำพูดของเพื่อนหรือเราคำพูดของคนนั้นคนนี้เอามาเก็บมาคิดเราเก็บไว้ในใจนะเอาการแต่ความของ ค, น, คอนนั้นคนนี้ทำไมคนนั้นก็ทําอย่างนี้คนนี้ก็ทําอย่างนั้นเอามาเก็บคิดเข้ามาจำไว้ในใจไม่เคยปล่อยไม่เคยผ่านตลอดิตใจเลย แล้วก็แบกหรือไว้นะตั้งแต่เช้าจนค่ำ บ, บางทีเรื่องบางเรื่องผานไปได้หลายปีก็ยังกเก็บมันคิดอยู่ก็มีใช่ไหมอันนี้คนติดใจขเรานะเอาเรื่องอดีตมาเก็บไว้จเป็นประจําหรือบางทีรู้ไม่เข้าทาันก็เอาเรื่องเลยนะก็มาเก็บคิดในใจก็มีเอาแบกความคิดแบกความเพิ่มในอนาคตมาย้ำไว้ในใจก็มีเนีนะ่คือเรา ถ้าเรามีรู้พันธุ์จิตใจของเรานะเราจะแปลทุกิงทุอย่างไว้ให้เป็นภาระของจิตนะแต่ตามสุดว or ัตรคำนี้แต่ถาที่เรารู้ต้องทันอาธิจิตนะไปแบกอารมณ์กับตามาเป็นภาระนะเมื่อเรารู้เททันอารมณ์กาที่จิตมาแบกมาเป็นภาระแล้วมันต้องเหนืนยท้ายพรอารมณ์นี้เาแกแล้วเนาะก็โยนไปทิ้ขยะจากจิตใจที่เราแบบมันก็จะวางลงทีลจิ้งสองจิ้ป็นกระั้งสุดท้าย มีแต่ปุ่มเปล่ามันก็ไม่แตกอะไรแต่จะไม่ใช่สุดท้ายจริงนะสุดท้ายแล้วก็ปุกมเปล่าก็โยกชิ้นไม่ขื่ออะไรเลยนะมันก็ไม่ขื่ออะไรขนาดนั้นนะนั้นการปฏิบัติธรรมนะแม้แต่อารมณ์ที่ดีเป็นความสุขความงสงบความสบายหรือแม้แต่เป็นตัวความรู้มันก็ไม่แตกนะเหมือนกับปุ่มเปล่าก็ไม่แตกียกนะนะอันนี้แหละาการปฏิบัติธรรมนั้นะ มันไม่แตกหรืออะไรไว้ในกายในจิตนี้าหนักแต่โดยสภาวะที่มันรู้มันก็รู้ออกมาอยู่แต่มันเีแตกไม่แตกนะไม่แตกเราขาดต่างเราเป็นตัวเป็นตนของเรานี่คือกายไม่แตกไม่ใช่การไม่มีนะมีแต่ทาไปแล้วมีความสุขมีความสบายมีความรู้มีความเข้าใจมีเรื่องต่างๆในทางที่ดีมากมายแต่ปิดแต่ว่ามันมีใจมีที่ ไม่ไปยึดมั่นกับขนาดหรือต่างวนนะั้นเพาะเป็นตัวเป็นตัวของเราอันนี้แหละคือสิ่งที่เราเปฏิบัติเหมือนกับเราอยู่ห้องนี้ห้องนี้มันเย็นสบายนะเขาไม่ได้ไปคิดว่าเส้นเ้ือดอยู่ห้องนี้ตลอดทั้งวันที่งคืนเราใช้ห้องนี้ตลเมื่อเราแต่งตัวใช้แต่พอหมดเวลาออกไปเราก็ต้องออกพอที่ไปเชื่อมต่อร้อนภายนอกนะอันนี้ต้องดนะัดใจนะจิตใจตอนนี้มันมีความสลุกมีความสบาย ก็รู้มันสุขก็รู้มันสบายแต่ไม่ใ่ติดสุไม่ใช้ติดสบายนะติดใจบางขณะมีความทุกข์มีความกังวลใจเขาิดแต่รับรู้แต่ถ้าเราไม่กังวลใจนะมันก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่เหมือนอนนักกีฬาเนาะนักกีฬาเขาเตะบอนะคาแดดนร้อน่ะแต่ถ้าใจเขาไม่ไ้กังวลกับความร้อนขแดดนะเขาสามารถมีความสุขในการแยกสุดวในการเลียงุกวัน แต่เราเองนะถ้าเราไม่รู้เท่าทันใจเราไปเดินการแดดร้อนทำไมมันร้อนเกินติตใจมีความทุกข์นะจ๊ะมีความทุกข์เพราะไม่รอ้แต่ถ้าเราได้ยอมรับความจริงว่าตอนนี้มนรอ้อนตอนนี้มันเย็นตอนนี้มันสดตอนนี้มันโคตรตอนนี้นะมันรู้สึกอย่างไรยอมรับความจริงเลยนะยอมรับความจริงได้ จิตใจเราสบายไปแล้วอ๋อมันจะเป็นอะไรก็ได้แต่เราจรับตรงจริงได้เนะมืออ่อจะรับตรงจริงได้นะใจิตใจมันจะว่ามันจะอิสระจะอาการตรงนั้นนะถ้าภาษาของเราก็เขียนที่เป็นอาการของพวกเราเขาบอกาอคือเราเป็นผู้ดูมันดูอาการที่เกิดขึ้นกับกากัใจตายจะไดอาการกนะไหนไห น, นะตายบางคนเจ็บปวดเนื่อย ตั้งตายนั่งมาเกิดตายแล้วบองทีตายมันอาไจะแค่เจยบขาแต่ใจรู้สึกว่ามันาเกิดตายแล้วมันปวดเกิดตายแล้วนะอันนี้ถ้าเรามีติดนะก็จะเป็นเพียงแค่ผูดูดูรู้สึกว่าตายมันแค่เจ็บปวดเมื่อแต่ใจไม่ทุกข์ร้อนประการของานั้นหรือบางทีจิตใจมันไปมีความสงสัยมีความทุอะไรแปรแ่ มัก็จะมีสติในการรู้ห็นว่าพ่อจิตเมื่อกี้มันุกจิตเมื่อกี้มันฟุบจิตเมื่อกี้มันหนึบหนีจิตเมื่อกี้มันคลุ้งตาแต่จิตที่รู้อยู่มันเป็นปกติธรรมดาอยู่อันนี้แหละคือจิตที่มีสติสติที่เป็นความสนมาที่ผู้รู้ผู้รูผู้เห็นนะเปตุการณ์ของการแจิตนะตามความจริงนี่คือสามสติสถานะสามสติสถานะไม่ใช่เีแค่การอ่ ปฏิบัติในรูปแบบนั้นแต่เราพยายามทำให้ได้เยอะๆนะไม่ได้เยอะแต่การทำกรรมฐานในรูปแบบนี้ก็เป็นปช่วยชน์มากมาเลยนะสนใจกับการทำกรรมฐานแนวหลวงพ่อเทียนคือว่าการมีสติตามรุ้กายตามรู้ใจตามจริงจริงสติภาษาบางทีภาษาครับโก้ๆนงพวเราเข้าใจว่าเราต้องมีสติกันอยู่มีสติไม่ขาดสติไม่ไปโรงพยาบาลบ้าไม่ไปพูดภาษา อันนั้นีว่ามีสติไหมก็มีสตินะมีสติอยู่ในระดับหนึ่งแต่สติ็นทางธรรมะนี่เกี่ยวข้องกับเรื่องร่าตรายเรื่องจิตหรือมนะแต่คนธรราางทีก็าสติได้าดสติก็คือว่าอะไราสติอย่างแรกก็คือกายไม่รู้ก็ตายจะมีกำลังทำอะไรคนส่น่ยงไม่ค่อยรู้ว่าก็ายันทำอะไรหรือบางทีไม่สนใจ้วยครับสังเกตไหเวลาทานข้าวเนี่ย ตอนนี้ก็สนใจหรอกนะว่ากายกำลัทําอะไรบางทีคานไปคิดไปเวาเดินก็เหมือนกันไม่ก็สนใจว่ากาจะำลัเดินอยู่นี่เรียว่าการขาดสติในการไม่รู้ว่ากายกำลังําอะไรอยู่นี่อันนี้เป็นอย่างที่หนึ่งอันที่สองคือการขาดสติที่ไม่รู้ว่าใจกำลังรู้สึกอย่างไรรู้สึกสูงรู้สึกตวบรู้สึกโต้รู้สึกสงสัยบางทีเราไม่รู้สึกนะ อันนี้คือการขาดสติไม่รู้เลยไม่รู้ว่าอารมณ์ของตาใจจะนั้นจะโกองใจจะนั้นเป็นอย่างไรที่เรื่องกาขาดสตินะขอได้ที่สอการขาดสติขอได้ที่สามคือว่าบางทีรู้อยู่นะก็กำลังโกรธแต่ไม่มีกำลังพอที่จะออกเดร่ยความโกรธได้นะบางทีมีสติที่ดูนะเราหลงไปแล้วจะหลงเรื่องอะไรก็ได้แต่ไม่มีกาลังออกเดี่ความหลงได้นะเราเคยเป็นแบบนี้ไหมเนี่ยที่การขาดสติเหมือนกัน มีทั้งส่วนที่ไม่รู้แล้วอีกส่วนึงก็คือส่วนที่ไม่มีกําลังที่จะออกจากมันนะแต่ถ้าเราฝุกส ต, ตินะการสุกสตินี่ช่วยให้เรารู้นะกายจะทําอะไรก็แล้วแต่ใจจะทําอะไรก็แล้วแต่มันจะรู้อยู่ของมันนะแล้วก็พอกิเลสมาครอบงำกิตมันก็จะมีกําลังที่จะถ่ายท้อนออกมาเป็นมิสระจากกิเลสที่ครอบงาตรงนั้นได้อันนี้จะคือการฝึกสตินะฝึกสติให้มีกําลัง เมื่อเราปกสติมากขึ้นมากขึ้นนะจิตใจก็มีความตั้งมั่นมีความมัน่นคงไม่หวั่นไหวไม่งอเงี้ยนขอนแขงป็นกิเลสที่มายั่วทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่กิเลสไม่ใช่อยู่ที่ตานะไม่ใช่อยู่ที่หูไม่ใช่อยู่ที่ ห, ไหูไม่ใช่อยู่ที่ลิ้นไม่อยู่ที่กายไม่อยู่ที่ใจเอาไว เ, เรียกว่าอายตณาณะทั้งหกเนี่ยเป็นแค่ประตูนะเป็นแค่ช่องทางในการรับรู้ แต่ไม่ใช่ว่าคิเล็นจะอยู่ที่ตรงนั้นนะไม่ใช่อยู่ที่ตรงนั้นมันใช่คล้ายเหมือนหนังสืออะโยมนะมันกระดาษปล่าอ่ะกระดาษปล่าวถ้าเราคิดหนังสือธรรมะกข้ไปหนังสือเรื่นี้ก็มีคุณค่าแต่ถ้ากระดาษป่าเรืนั้นเขียนหรือว่าพิมพ์หนังสือใด้สราระเป็นสื่อรามกออกไปหนังสือนั้นก็เป็นหนังสือที่เรียกว่ า, าไม่มีคุณค่าใช่ไหมอันนี้แหละช่องทางในการรับรู้ก็เหมือนกันนะ แนวทางในการรับรู้ก็เหมือนกันก็คือจิตใจของเราเนี่ยแหละนะเรารู้สึกอย่างไรเรารู้ทันไหมเ น, นี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องคอยดูคอยรู้มันอยู่เป็นประจำนะตาเห็นรูปรู้สึกรงมาที่ใจรู้สึกอย่างไรหูได้เสียงรู้เท่าทันใจว่าเรารู้สึกอย่างไรนะจะหูได้กลิ่นนิดในรสก็เหมือนกันรู้เท่าทัดมาถึงใจของเราด้วยอันนี้จะเป็นการเรียกว่าเป็นการรักษาใจให้เป็นปกติ มีสติในการตามรู้กายที่เคลื่อนไหวแล้วก็มีสติในการรู้เท่าทันใจที่รู้สึกที่คิดนึกในการปรุแต่งอีกต่างต่างเหล่านั้นเราฝึกตัวเนี้นยเยอะๆเยอะๆจนท่านปฏิมันเห็นความจริงมันเก็บความจริงมันเรียนรู้ความจริงจนท่านจิตมันยอมรับความจรนะิงจิตยอมรับความจริงก็คือจิตมันเกิดปัญญานะปัญญาในเชิงพุทธศาสนา มันไม่ใช่แค่ปัญญา ก, การผ่านการฟัมเท่านั้นแต่ปัญญาสูสุดในเชิ AUDIBLE ้ส <away> ุขสัมปชคือปัญญาที่จิตมันยอมรับความจริงนะจิตมันยอมรับแล้วว่าโอ้กายมันมีความเก็บมันมีความทุกเป็นแบบนี้เป็นธรรมชาติกายมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมชาติกายมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราจริงๆนะจิตมันเห็นความจริงตรบนี้จริงๆนะหรือแม้กระตั้งนะสติมันเห็นยว่า ไม่จัดใจหรือว่าจิตมันก็เหมือนกันใจมันมีความทุกข์ของมันเป็นธรรมดาความทุกข์อะไม่ใช่ว่าเจอปัญหาต้องร้องโ่ร้องไห้นะความทุกข์แค่เพียง ว, ว่ามันไม่สามารถทนอยู่ในอาการเดิมไดนน้นี่คือความทุกข์ใจนะสังเกตไหมเราบางทีใจมันมีความทุกขมีความมีติเราอยากจะบังคับมันอยู่ในอาการเดิมมันมเป็นไปไม่ได้นี่คือความทุกข์ใจนะไม่ใช่ว่าต้องร้องไห้เสียใจแันนะ้วนคือความทุกข์ใจ แค่ใจมันไม่สามารถอยู่ในอาการเดิมได้คือความทุกข์แล้วคล้ายๆเหมือนเราไม่สามารถทําให้เด็กมันอยู่นิ่งๆได้ไม่สามารถบังคับให้ลิงมันอยู่เฉยๆได้นี่คือความทุกข์ของใจนะใจก็เหมือนแบบนันเหมือนเด็กหรือมันลิงที่มันไม่สามารถอยู่นิ่งได้อันนี่คือความทุกข์เมื่อมันคุกมันก็เลยอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนวิยาณบทเปลี่ยนไปคิดนั่นคิดนี่นะอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงของใจเป็นธรรมดา ความเปลี่ยนแปลงของใจบางทีนะตอนนี้สงบมากตอนนี้สงบน้อยตอนนี้โกรธมากตอนนี้โกรธน้อยนะบางทีเราไปคิดว่าความเปลี่ยนแปลงคืออาการที่ว่าเกิดกับตาบเท่านั้นแต่จริงการเปลี่ยนแปลงการมากการน้อยปัจจมาณที่มันลดลงมากเพิ่มขึ้นเ น, <c oughs> นะนีย่มมกนยก็คือการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะสุขมากสุขน้อยสงบมากสงบน้อยนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงของ ใ, ใจอนยะ่งนั้นเราเราจะเห็นได้ว่าที่จริงอาการต่างๆเนี่ย มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่ใช่ว่าเราอยากจะได้แบบนั้นมันถึงเป็นแบบนั้นนะแต่มันเป็นไปเพราะว่ามันมีกฎอื่กฎหนึ่งที่เรียกว่ามันเป็นกฎของธรรมชาติคือมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรามันเป็นไฟตามเหตุตามปัจจัยของมันเองนะไม่ใช่เราบังคับไม่ใช่เราต้องการแต่มันเป็นธรรมชาติของมันเป็นแบบนี้อันนี้คือปัญญานะปัญญาคือการเห็นว่ากายและใจเนี่ย มันตกอยู่ในกฎของใจรักทั้งนั้นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่มมตัวตนมันมีปัญญาเห็นความจริงนี้นะมันยอมรับมันปล่อยวางเลยมันปล่อยวางการยึดถือกายก่อนปล่อยวางการยึดถือว่าการเนี้เป็นตัวเป็นตนของเราจิตใจมีความตั้งมั่นไม่สงสัยแล้วว่าวิธีการที่ปฏิบัติเนี้ยทําให้ความทุกข์มันลดลงจริงๆมันเชื่อเลยว่าพระพุทธธรรมประโคมมีจริงเรื่องที่สําคัญมันเชื่อว่า เราสามารถเป็นพุทธธรรมพระสงฆ์ได้เราสามารถเป็นพร ะ, ระได้าาา น, ไดนะไม่ใช่รุ้งขาวไม่เจอไม่โป่งผมแต่ว่าสามารถมีคุณสมบัติมีคุณธรรมเป็นพระได้เชื่อมั่นตรบ น, นี้จริงๆนะนะเชื่อมั่นในพะระัศนาใจนะผลับทิ้งการยึดมั่นหรือมถถั่นในการนี้ออกได้นะไม่ต้องเลยสงสัยแล้วว่าแนวทางในการปฏิบัติเป็นเช่นไรนะตั้ง ม, มั่นมั่นคงแล้วอันนี้เราจะ มีสติมันจะเกิดปัญญาคนดีก่อนปัญญาในการเห็นถูกต้องจะมีก่อนจะกระทั่งสติมันแก่ก้าวไปเรื่อยสตรงขึ้ น, นเรื่อยนะมันก็จะมีสติในการขอนความหลงผิดในข้อต่ า, างๆเพิ่มขึ้นเช่นทำลายความโกรธความโลภความหลงได้เหตุผลมากขึ้นทำลายความไม่รู้นะที่ไปยึดมั่นคำคันหมายในจิตนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานะ มันก็จะถ่ายคอนการยึดมั่นในกิตนี้ออกไปได้อีกครีนึงนะเมื่อนั้นนะมันก็เรียกว่าหมดจิตในการทําอะไรก็แล้วแต่ละหมดจิตเป็นผู้จบกิจนะเป็พระอรหันต์แล้วอันนี้แหละคือสิ่งที่แนวทางในการปฏิบัติธรรมเนาะมันเริ่มต้นจากทีกายมีสติเรียนรู้กายเรียนรู้ใจนี่แหละเรียนไปนเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวมันก็เรียกว่าเรียนจบเป็นครบเรแต่ว่าเข้าใจความจริงได้ทั้งหมดเนาะอาตมาก็ เรียว่าพูดให้ฟังในสิ่งที่พวกโยมควรจะรู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนทั้งถึงท้ายที่สุดนะแต่การพูดให้ฟังมันก็เหมือนคล้ายๆมันก็เป็นสิ่งแค่ใกล้ล่าสิงเห็นแผนที่เท่านั้นเนาะก็บอกไว้สาหรับคนที่มาใหม่หรือําหรับคนเก่าที่จะได้ย้ำความเข้ใจเพิ่มขึ้นแต่การฟังเฉยๆมันยังไม่พอเนาะก็จะแนะนาในการปฏิบัติเพิ่มเติมด้วยนะ บางทีการพูดฝึกฟวามีทั้งใชเวลาทักวนานเพื่อจะึจุดหมายไปายทางนะแต่บางทีการกระทํานะบางทีใจเดียวก็สามารถเข้าถึงธรรมะได้เหมือนกันนะบางทีไม่ยากเกินไปหรอกนะก็จะพาพวกเราได้ปฏิบัติธรรมนะให้ได้สัมผัสกับสภาวะอาการความเป็นปกติของจิตมันเป็นอย่างไรสัมผัสกัอาการจิตที่มีสติมันเป็นอย่างไรสัมผัสกับอการจิตที่มีสมาธิมันเป็นอย่างไรเนาะอันนี้แหละ สามผัสกับร่าการที่เปลี่ยนจากความหลงเป็นความรู้นะั้นเปลี่ยนได้อย่างไรนะเราสามารถสัมผัสได้ทันทีนะาการปฏิบัติธรรมไม่ต้องรอชาติหน้าไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้สามารถสัมผัสผลได้ทันทีนะธรรมะที่แท้จริงต้งเป็นปัจจุบันนร้นทำเท่านั้นนะไม่ใช่ธรรมะในอนาคตนะันแต่ต้องเป็นปัจจุบันรนระ้นทำเนี่ยเราสามารถสัมผัสผลได้ที่นี่หรือเดี๋ยวนี้ทันทีเลยนะก็นะจะให้ พระอาจารย์ทุ่มพระอาจารย์ทุ่มนะจะแนะนําในการปฏิบัตินะเห็นอะไรคนเป็นคนใหม่แต่อาจจะใหม่ที่นี่อาจจะเก่าที่อื่นแล้วรู้เปล่าก็ไม่รู้นะก็ใครที่เคยเรียนรู้มาวิธีไหนก็ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานเนาะเป็นพื้นฐานที่ดีคราวนี้เรามาเรีนรู้ต่อยอดในนะเรื่องการฝึกสติแล้วกันนะฝึกสตินะฝึกสติในการตามรู้กายที่เคลื่อนไหว ตามแนวทางของพ่อเทียนแล้วเราก็จะรู้เท่าทันใจที่มันคิดนึกปรุงแต่งด้วยเนาะเราเปิดใจในการเรียนรู้นะรูปแบบในการปฏิบัติตรบนี้นะรูปแบบภายนอกอาจจะดูอาจจะดูแตกตาไปนะอาจจะไม่คุ้นแต่ขอให้เราเปิดใจในการเรียนรู้ดูนะแล้วเราก็ถ้าเราสัมผัสได้ว่าเออที่จริงกายที่เคลื่อนไหวเราไม่เคยมารู้มาทุกทีเลย วันนี้เราจะมาเรียนรู้ตามรู้กายที่เคลื่อนไหวบ่อยๆนะเดี๋ยวก็เห็นใจที่มันเผลอแวบไปคิดนึกคุกแยงเกิดขึ้นอีกนะเราก็จะสามารถสติในการอยู่กับปัจจุบันได้นะลองดูนะนะลองดูนั่งให้สบายนะนั่งสบายคนเก่าก็ทํำไปเพื่อนสำหรับคนใหม่เนาะคนใหม่ก็ตามรู้ไปนะดูที่อาจารย์ผ่าคำเนะ กายสบายที่จะนังน่งขารทสมาธินั่งข้าเทียบนั่งเก้าอี้ในท่าที่สบายๆคือจะนอนก็ไดเลดบอกนะบอกเรียกว่าสิที่ในการที่จะทําให้ชีวิตไม่ทุกข์เองอันนี้เป็นสิทธ่ ท, ทุกคนมีอันนี้ก็เรากำลังจะใช้สิทนั้นดนะ้วยการที่เราเองเนี่ยเราเรามาเริ่มต้ น, ตน อยู่กับปัจจุบันกันก่อนตรงนี้นั้นอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์มาบอกวาพวกเรานั่งกันสบายๆคือการที่พวกเราเนี่ยจะใช้สิทธของความไม่ทุกเนี่ยก็ต้องใช้สิทธิ์ในทุกขณะนั่งอย่างไรให้ไม่ทุกนะหรือนั่งอย่างไรไม่ทุกมันก็คือนั่งให้สบายๆนะฮตรงนี้นะก็คือถ้าเรานั่งปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ นั่งไปแล้วก็คิดเลื่อนไปเลยเนี่ยบังทีเราก็อาจจะนั่งแล้วก็ทําให้ตัวเองทุ่งไปวันอีม่ึือตัวฉะนั้นนี่คือตรงนี้ยมาเรากลับมานะกลับมาอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันขณะเรากำลังนั่งอยู่นั่งอย่างไรเนาะนั่งนั่งสบายสบายๆตรงนี้การนั่งก็ให้เราหลังตรงสักนิดหนึ่งนะนั่งกับมองอาจจะ คุ้นเคยเกับการนั่งหลังมอแต่อีกครั้งเดียวก็จะเรียกว่าทุกง่ายนะอันนี้ว่าเรานั่งหลังให้ตรงที่งนิดนึงขอให้ตรงนิดนึงนะคร้บตรงนี้ท่านี้ก็จะเป็นท่าที่ทําให้ร่างกายเราทุกน้อยแล้วก็ท่านี้จะเป็น ท, าท่าที่เรียกว่าเราอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับการนั่งที่จะทําให้เราทุกน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นคือตรงนี้มาเราเองเราก็ อยู m, mm ่ก hmm. right. mm ับ hmm. ป huh. mm ัจจุบันนะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความรู้สึกรู้สึกที่เรากําลังทําอะไรอยู่ตอนนี้เนาะจะนี้ไปก็จะเรียกว่ามาเจริญสติกันเราจะอยู่ในการเจริญสติการเจริญสติหมายถึงว่าอยู่ความรู้สึกตัวเนาะในทุกขณะที่เรากําลังเคลื่อนไหว หลวงพ่เอเทียนจะแนะนาว่าให้เรามีสติกับการเคลื่อนไหวเพราะว่าวันทั้งวันอยู่กับการเคลื่อนไหวท้งวันเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้นเรามาเราอยู่ในรูปแบบเนาะเอา ก, การปฏิบัติธรรมกันด้วยการเอามือวางไว้ตรงเขง่าวางไว้ที่ขาดทั้งสองข้างเตรียมพร้อมที่จะเจริญสติกันนะอันนี้เราจะอยู่กับความรู้สึกตัวมเมื่อการเคลื่อนไหวกัน หกันนะฮะหัดกันมืออยู่มันเขาทั้งสองั้งดูไปที่โน้ตนะฮะดูไปที่โน้ตเป็นหลักมืออยู่ตรงไหนตอนนี้ครับอยู่ที่เขาแล้วหรือยังอยู่แล้วหรือยังมืออยู่แล้วแต่ใจอยู่ตันเลยอยู่ที่ไหนนะฮะตอนนี้ก็คอามรสึกเนี่ยหมายถึงว่าเราก็ตั้งใจที่จะรับรู้นะฮะอาการทางกาย อนี้เรานะฮะเราลองเคลื ah. ่อนไหวติ๊กมือขวาแต่แคงขึ้นนะฮะติ๊กมือขวาแต่แคงขึ้นรับลูกกัดเคลื่อนไหวนะฮะติ๊กมือขวาแต่แคงขึ้นยกมือขวาขึ้นนี้คขามือขวาเคลื่อนมาไปที่ท้องติ๊กมือซ้ายแต่แคงขึ้นยกมือซ้ายขึ้นเคลื่อนมือซ้ายออกไปที่ท้องยนมือขวาขึ้น เคลื่อนมือออกข้างๆบางกับบังบนเข่าความลงเลื่อนมือซ้ายขึ้นยกมือซ้ายออกข้างๆบังบนเข่าภามลงเ้าจะอยู่กับอาการเคลื่อนไหวนะฮะติ๊กมือขวาจะแข็งขึ้นยกมือขวาขึ้นเคลื่อนมือขวามาไว้ที่ท่อติ๊กมือซ้ายจะแข็งขึ้นยก เหมือนซ้ายขึ okay. ้นเลื่อนมือนซ้ายมือไปที่ท้องเลื่อนมือขวาขึ้นยกั้อข้างข้างบางบนเข่าความลงเลื่อนมือซ้ายขึ้นยกข้อข้างบางมบนเข่าความลงพลิกมือขวาตะแคงขึ้นยกขึ้นเลื่อนมือมือไปที่ท้องพลิกมือซ้ายตะแคงขึ้นยกขึ้นเลื่อนมือซ้ายมือไปที่ท้องเลื่อนมือขวาขึ้น ยกกอดข้างข้างบางบนข่าวความหลงเลื่อนมือซ้ายขึ้นยกก่ดข้างข้างบางมบนข่าวความหลงเลก่ม so <LA> ือขวาตะแคงขึ้นยกขึ้นเคลื <age shows> ่อนไปที่ท้องเลื่มือซ้ายตะแคงขึ้นยกขึ้นเคลื่อนไปที่ท้องเลื่อนมือขวาขึ้นยกกอกข้างข้างบางมบนก่าวความหลงเลื่อนมือซ้ายขึ้นยกกอกข้างข้างบางมบนข่าว ควาหลงยืดมือขวาจะแขนขึ้นยกขึ้นมาไว้ที่ท bra, ้องยืดมือซ้ายจะแขนขึ้นยกขึ้นเคลื่อนไว้ที่ท้องเยือนเหมือนขวาขึ้นยกออกข้างข้างวางบนเข่าความหลงเยื้มมือซ้ายขึ้นยกออกข้างข้างวางบนเข่าความหลงลองาำตามดูนะครับลองเคลื่อนดูนะถ้าใครยังทําไม่ได้นะฮะ กระดูที่ประจาคนอนโดยที่ข้างหน้านนเราเริ่มต้นที่มือขวานะแล้วก็ตามด้วยมือซ้ายนนแล้วก็กลับมาเริ่มต้นจากที่มือขวาใหม่อีกครั้งหนึ่งกลับมาที่เดิมตรงนี้เนี่ยเราจะอาศัยการเคลื่อนการหยดุดการเคลื่อนการหยุดตรงเนี้ยะฮะเป็นตัวที่จะให้เราตื่นที่จะรับรู้การเคลื่อนไหวของการเราเริ่มต้นกันที่ตรงนี้ เริ่มต้ น, น, นกันในรูปแบบอันนี้เป็นรูปแบบนะเป็นรูปแบบของการเคลื่อนอันนี้ก็เหมือนกับการที่เราจะท่องสูตรนะฮะมีสูตรเรียกว่ามีสูตรที่จะทําให้เราเนี่ยได้จดจาการเคลื่อนไหวของกายเอาไว้ก่อนนะตรงนี้เนะี่ยจะเป็นการเริ่มต้นมาต่างบ้างเราเริ่มต้นที่ถูกต้องคอยดูการที่เคลื่อนไหวนะอย่างที่ อ, อาจารยโน้นบอกว่าถ้าหากว่า เราจะเป็นผู้ดูเนี่ยการที่เราเป็นผู้ดูเราจะเห็นความเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงของกายของใจตรงนั้นะจะเป็นการเห็นด้วยปัญญาและจะเป็นทางที่เราจะไปถึงจุดที่เรียกว่าเป็นนิพพานเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยเราเริ่มต้นกันนะฮะเริ่มต้นกันอยู่กับการที่เคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่านะเราเริ่มต้นมีกันอย่างถูกต้องเนี้ยแล้วก็จะสัมผัสได้ทันทีว่า ตรงนี้ใจที่มาอยู่กับการเคลื่อนไหวเนี่ยใจก็จะไม่เหลือไปอยู่กับการหมกมุ่นคุ้นคิดใดๆที่จะทำให้เราเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นคือตรงนี้นี่ก็เรา ก, ก็เรียกว่าเดินทางเข้ามาสู่นะฮะการปฏิบัติธรรมใน ท, ทันทีที่เรารู้สึกตนกันลองดูอาศัยการเคลื่อนไหวตรงนี้นะฮะการเคลื่อนไหวในรูปแบบตรงนี้นะ ในการที่เราจะหักนะเป็นผู้ดูดูการที่เคลื่อนไหวนะในขณะที่เรากําลังเคลื่อนไหวอยู่ตรงนี้นะฮะท่านุตัวก็คิดนะฮะก็กลับมาอยู่การเคลื่อนไหวใหม่เราจะมีการเคลื่อนไหวในหนึ่งชุดท่าเนี่ยหยุดสิบสี่ครัเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้นะฮะโอกาสที่เราจะได้เหมือนกับให้ความคิดเนี่ยนะฮะแาบว่าหยุด ย้ำใจไม่ให้ไปเกาะต่อความคิดเนี่ยอยู่หนึ่งชุดทา่ามันก็ต้องสิบสี่ครั้งเพราฉะนั้นนี่นคือตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะคะระับเ่อไปคิดไม่เป็นไรเรามีการเคลื่อนไหวตรงนี้อยู่สม่ำเสมอทุกวินาทีทุกวินาทีเพราะฉะนั้นนี่คือตรงนี้นะฮะเรามีสูนนะครสูตรของกายตรงนี้อยู่นะฮะสิบสี่ท่าที่หลวงพ่เทียนเนี่ยได้เหมือนกับได้วางเอาไว้ให้พวกเราเนี่ย ได้เดินเข้าสู่กระบวนการกรรมฐานที่ง่ายๆแล้วก็เดินเข้าสู่กระบวนการที่เราจ ะ, จะเจริญสติได้อย่างที่เรียกว่าตปรองมากๆนะลองดูนะครับการเคลืนะ่ลอนไหวเอาใจมารับรู้การเคลื่อนไหวเอาใจมานับรู้รรล้วถังว่าเราเผลอไปคิดนะฮะก็ไม่เป็นไร กายที่เคลื่อนไหวรอเราอยู่นะนั่นก็คือปลับมาอยู่การเคลื่อนไหวใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเผลอไปคิดไม่เป็นไรกลับมาอยู่การเคลื่อนไหวใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเห็นมีนูน้อยนะฮะน่าจะอายุไม่เท่าไหร่หกเจ็ดขวบนะฮะเขาก็ยิงพักเคลื่อนไหวอยู่ที่เขาก็ทำได้านะ ตรงนี้เนี่ยน่ะเราเองเราเราเนีเราเคลื่อนไหวตรงนี้เนี่ยเราเคลื่อนไหวได้แล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องหัดก็คือนะคอยรับรู้การเคลื่อนไหวตรงนี้นะการที่จะรู้สึกตัวอยู่กับการเคลื่อนนะรู้สึกตัวอยู่กับการเคลื่อนไหวตรงเนี้ยนะฮะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นหัวใจสําคัญนะการเคลื่อนไหวของเราในอดีตที่ผ่านมา จะเป็นการเคลื่อนไหวตามอัตโนมัตินะฮะหรืเคลื่อนไหวปลีกปลีก็คือเคลื่อนไหวโดยที่เราไม่ได้อนใจมาอยู่กับการเคลื่อนไหวด้วยเพราะฉะนั้นคือเมื่อไม่มีใ จ, ม, ใจมาอยู่ยการเคลื่อนไหวเนี่ยใจมันจะเป็นอิสาระที่จะเปเกานะฮะกอะกับความคิดไปบกมุ่นคุ้นคิดไปเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยเราจะทําเรื่องใหม่อันหนึ่งก็คือให้ใจเนี่ยนะฮะคอยมารับรู้การเคลื่อนไหวแล้วใจ เขาจะค่อยๆมีสติที่จะกลับมาอยู่กับกายนะฮะก็ <ardon? S 2> เองก็จะเหมือนกับค่อยๆเค<อ>ยช <c oughs> ินที่จะกลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวตรงนี้ตามตามการที่เราได้ฝึกนะตามการที่เราได้ฝึกึกรู้สึกกับการเคลื่อนไหวฝึกรู้สึกกับการเคลื่อนไหวจากการที่เราฟังนะจากการที่เราเคลื่อนอาจจะไม่รู้สึกตรงนี้เนี่ยเราจะค่อยๆรู้สึกเพิ่มขึ้นนะฮะ เขาเรียกว่าทำเป็นนะฮทำเป็นทาเป็นก็คือเคลื่อนแล้วรู้ตัวเคลื่อนแล้วรู้สึกตัวนะฮะเคลื่อนแล้วรู้สึกตัวตรงนี้เรียกว่าทำเป็นแต่ถ้าหากมาทำเป็นแล้วเราก็ต้องทำให้เก่งขึ้นคล่องขึ้นจากการที่เพียงแค่ดูกายเคลื่อนไหวนะเราก็จะเห็นใจที่คิดนึกไปด้วยเพราะฉะนั้นคือตรงนี้นะฮะเราเริ่มต้นจากตรงนี้เองที่มอกจะเป็นกุญแจสำคัญ นะเป็นกุญแจสาคัญแค่การเคลื่อนไหวทั้งนี้เองเนะจะพาเราไปอย่างที่บ้านจานทร์นับว่าพาไปเป็นลําดับลําดับลาดั บ, ดบตามการที่เราทําเต็มเราก็จะเก่งขึ้นคล่องขึ้นนะฮะแล้วก็ตรงนั้นเองสิ่งต่างๆก็จะค่อยๆเปิดเผยขึ้นผลของการที่เรารู้สึกตัวอยู่รู้สึกตัวอยู่ตรงนี้ก็จะได้ค่อยสะสมนะฮะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า ทำให้ชีวิตเราทุกน้อยลงทุกน้อยลงนะฮะลองลองนะฮะลองเคลื่อนเมือยกันนะฮะสักระยะหนึ่งนะ เ, เด็กๆนะครับทําด้วยนะครับทําได้ดียังทําได้ดียังอืออเริ่มต้นที่มือขวานะครับอลองดูลองดูดีมากๆเลยครับ ต้องไปสนใจอตามเห็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้อปสนใจตึงตาจะช่วยให้อย่างมันก็ไม่ง่วงง่ายอีกอย่างก็จะได้ไม่เพ่งเกินไปตนะึงตามองส บ, บายสบายแต่ไม่ให้สนใจไปอยู่กับสิ่งที่ตาเห็นเนาะเห็นอะไรแต่จะไม่ปนใจนะให้ใจมาสนใจกับการเคลื่อนไหวนะ กล้าดื้ตาทำอะไรนะไม่พันกลัวกิเลสทำตาเราไม่สนใจสักอย่างนะหรือทีใจมาจะไปก็รู้ทันว่าเออแล้วก็กลับมาโยกตาเคลื่อนไาวแทนกนะิเลสไม่ยึดที่ตาอย่างที่อบอกนะไม่ยึดที่หูท่านนั้นคนตำลายตาหูจมูกวิ่งกลายหด คนที่มีแต่จิตอย่างเดียววิญญาที่มีแต่จิตอย่างเดียวเขาวิเศยไม่ยกว่าเราหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่ตาเหัวฉมมงงลิงกายเป็นเพียงแค่ช่องทางเท่านั้นแต่แต่ก่อนช่องทางนี้เราใช้ในการเรียกว่าแสดงหาอ่าหรือว่าถนอมความอยากแต่ครันี้เราจะใช้มาเพื่อเนการ แสดงหาความรู้หรือว่าเพื่อความรู้ส่วนแทนเนาะแต่ตอนนี้ปินที่เต้นนี่คือเรื่องของกายสำคัญ น, น, นะตามหมุนจมูกวิ้งยังอื่ก็ให้พักไว้ก่อนนะให้มาเต้ดที่กายที่เคลื่อนไหวกนะายเคลื่อนใจคอยรู้นะทําต้ดจังหวัดนะนจังหวัด อาจจะช้าจะเร็วไม่สําคัญนะเราเอาเท่าที่เรารู้ว่ามันเคลื่อ น, นเรารู้สึกพอดีไม่ช้าไม่เร็วเกินไปเคลื่อนหนึ่งจังหวะรู้หนึ่งจังหวะเผลอไปแล้วไม่เป็นไรรู้จังหวะใหม่ที่กําลังเคลื่อนใหม่นะอย่าไปยั้งคิดว่าไม่น่าเผลอไป เคล่นมอมาถึงหน้าอกแล้วถึงรู้ึตัวไม่รู้ว่าเป็นไงรู้ต่อจากที่รู้ไปเลยนะเป็นไง น, นะนั่งสบายนะตาดิไม่ต้องกลัวความคิดนะมันจะคิดกี่ครั้งกี่ทีก็แค่รู้ทันว่าจิตมันไปคิดแค่นั้นพอนะไม่ต้องไปสนใจว่าเริ่อที่คิดจะดีไม่ดีถูกหรือผิด ชอบหรือไม่ชอบแค่รู้ทันว่าจิตมันเผลเวปคิดแค่นี้พอนนะกลับมาสร้างสติกับการตามรู้กายก่อนสติที่รู้ว่าจิตมันเผลอไปคิด น, นั่นก็เป็นการมีสติแล้วมันก็ถูกแล้วครั้งหนึ่งนะสติที่รู้กายเคลื่อนไหวถึงขนาดก็เป็นการมีสติเหมือนกันเนาะสติ เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมว่าด้ย่อก็การรู้รู้การรู้นามไม่แหละนะคอยตามรู้รู้ตามรู้นานบ่อย ผมหน้าตรงตาเป็นไปนะนักยนหน่ายหน้าสบายสบายหายใจะบายสบา ย, บายเครียดไหมถ้าเครียดจะยิ้มนิ้งยิ้มได้นะปฏิบัติธรรมยิ้มให้กับตัวของเราเองนะยิ้มให้ตัวเองปฏิบัติธรรมแล้วต้องผ่อนคลายต้องสบายไม่ใเครียดนะ แต่ไม่ได้ผ่อนายแบบเรียกว่าทำไปคิดไปนี่แบบนั้นนะคือไม่เกรงไม่เครียดแต่บางทีมันก็เราก็ไม่สามารถบังคับให้มันอยู่ตรงกลารรงได้ประจํานโยมนะแต่บังคับให้ไม่เกรงไม่เครียดตลอดอาจจะทําไม่ได้แต่ให้รู้ทันเวลาเครีรยดมวลาเกรงอะไรผ่อนคายลง เวลามันปล่อยตัวปล่อยใจมากเกินไปลงไปคิดลงไม่อยู่กับอารมณ์อ่ะกลับมาให้มันเป็นตรงกลางพอดีเนาะความการความเป็นการของจิตควรเป็นปกตินะไม่ใช่เป็นการประคองการรักษาการบังคับให้เขาอยู่แบบนั้นแต่ความเป็นการของจิตก็ต่อเมื่อจิตมารู้ทันว่าอ๋อตอนนี้หลงไปเชิญ บ, บังคับ ตอนนี้หลงเป็นทางหลงในกับกิเลสแล้วนะพอเรารู้ทันนะมันจะกลับมาเป็นการได้พอดีของมันเองหรือบางทีกามเป็นการของจิตมันก็เกิดจากการที่มีสติตามรู้กายอย่างใจที่ตั้งมัน่นก็คือว่ากายมันเคลื่อนจิตมันรู้นะมีกายที่เคลื่อนไหวมีจิตที่รู้ มีสิ่งที่เคลื่อนกับมีสิ่งที่อยู่ปังหางนะไม่ใช่เราส่งใจไปอยู่ที่มือนะแต่เนี้ยเราไม่ใช้ส่งใจที่มือนะมือก็เคลื่อนของมันไปให้เห็นว่ากายนี้กําลังนั่งเคลื่อนไหวอยู่สติจะเห็นจากนั้นเหมือนเราจะมานั่งอยู่ตรงเนี้ยมองเห็นโยทุกคนที่นั่งเคลื่อนไหวสติตอนนี้ก็เหมือนกันนะ แต่ไม่ได้ไปเห็นคนอื่นนะเห็นตัวเองกันเลื่อนไหวเห็นแต่มันไม่รู้สึกว่าเป็นตัวเองหรอกมันเห็นแล้วมันรู้สึกว่ารูปมันเคลื่อนไหวใจมันรับรู้มันจะไม่มีคำว่าตัวของเราในเร่งนั้นมันจะรู้สึกแค่รูปมันเคลื่อนไหวมันจะแยกรูปที่เคลื่อนจิตหรือว่านามทํามันรู้มันจะแยกตรงนะ้นนะ แยกได้มากแยกได้น้อยแยกไชัดหรือเปล่าไม่ใช่ประเด็นสำคัญค่อยๆทำไปนะมันจะแยกได้ชัดขึ้นนะมันจะรับรู้ได้ชัดเองว่าอ้อเรื่องของรูกเขาเป็นแบบหนึง่งเรื่องํางนาเขาเป็นแบบหนึง่งทำๆดูนะทกสบาย ไม่เคร่งไม่เครียดเนาะแต่ก็ไม่ใจรอยไปท่านรู้สึกว่ามันจ้องเดินไปนะผ่อนออกมานะ่อหนึ่งท่ารู้สึกว่ามันใจรอยเึินไปแล้วคิดนั่นคิดนี่ไปอยู่กับความคิดนะตั้งใจมากขึ้นใน แ, แต่ละครั้งที่เคลื่อนไหวค่อยๆปรับนะตัวของเราเองนะที่จะปรับได้นะนะจิตของเราเองจะให้คนอื่ มาบอกมาสอนไม่ได้นะต้องฝึกกิจของเราเองลนไหนนะมีสติในการตามรู้ตามกูอยู่เป็นพอยันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วรู้ทันมา หลับตายกลึมตาลองดูนะไม่ต้องกลัวนหนยงยกลึมตาเค้นไบวไปจับไม่ได้14ท่าแค่พิกมือหมายพิกมือข้อมก็ได้นะไม่เป็นไรเพราะจุดหมายไม่มรู้ว่าเราไม่ใช่เรียนรู้ให้จับ14ท่าได้แต่หัวใจสําคัญคือรรู้ถึงการเคลื่อนถึงการหยุด การเคลื่อนการจืดเครื่องตื้สี่ท่าก็ไม่ต่างจากการเคลื่อนแค่สองท่าแค่เคลื่อนแคลิกมือหนายพลิกมือคว่ำนะอันนี้นะสำหรับคนสูงอายุอาจจะความจำไม่ดีลงไปบ้างไม่ไม่ผิดนะแค่พลิกมือหนายรู้สึกนพลิกมือความรู้ตึกแค่นี้ก็ได้นะตื้สี่จังหวะถ้าทำได้ก็ทําก็ได้ก็ดีเหมือนกัน แต่ถ้าจำไม่ได้ก็ไม่ต้องคิดว่าเหตุจะฝึกไม่ได้ลิกมือง้ายรู้สึกลิกมือขว่ำรู้สึกบางทีถึงวันหนึง่งไม่สามารถลิกมือได้เลยนะมันก็รู้ถึงธรรมชาติที่เคลื่อนไหวของมันก็กได้ลมหายใจที่เข้าที่ออกตาที่กระพริบของมันเองลมภายในที่เคลื่อนในกระเพาะอะไรนะ่มันก็รู้ของมันได้ อยู่ไม้แต่สร้างกา ย, ยประปฏกิิยของมันเองก็ามสันขระมันเองเราก็สามารถดูได้เนาะหัวใจสําคัญในการตามรู้ไฟก็คือว่าเห็นกายเขาเคลื่อนเห็นกายเขาหยุดเห็นกายเขาเคลื่อนเห็นกายเขาเยเหา ย, ขายุดนะ <het> ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เห็นท่ า, าต่างๆเนาะบางกีก็พูดไปแบบนั้นเป็นท่านั้นท่านี้แต่หัวใจที่ขึ้นเห็นการเคลื่อนเห็นการหยุดเห็นการเปลี่ยน นะของของกายอยู่ทุกขณะให้เป็นเครื่องอยู่ของกา ย, ยให้เป็นเครื่องอยู่ของใจเนาะให้กายเนี่ยเหมือนกายเราสร้สางเพื่อให้จิตมันรับรู้พอาะบงทีถ้าดั้งนิ่งนั่นจะช่วยจิตมันก็จะมันจะหลงไปคิดนั้นคิดนี้เรื่อง่ายพอมีการเคลื่อนไหวถ้าแปลกต่างจากที่เราเคยทําประจำวัน ก็จกมารู้ตรงนี้ได้ไวขึ้นนะ คนชูอายุอยู่คนหนึ่งอายุเจ็ดสิบแปดก็ไปที่วัดตั้งแต่ตอนสงกรานวันสงกรานก็ไปหัดยกมือสร้างจังหวะนะปรากฏว่าวันแรกๆหัดก็ทําไม่ได้ทำไม่ได้ไไดพเพราะเนื่องจากว่าก็อ ล, กลูกหลานก็บอกบอกว่ายายก็ เป็นโรคขี้ลืมใหญ่ก็เป็นโรคขี้ลืมแต่พอปรากฏว่าเมื่อสองสามวันที่แล้วก็ลูกหลานก็มารายงานว่าตอนนี้ใหญ่ยกมือสิบสี่จังหวะได้แล้วดังนั้นก็คือตรงนี้ก็เริ่มต้องจะที่เรามีสตัวเอยวกับการติ๊กมือขวาติ๊กมือความคือตอนนี้เนียถ้าเกิดว่าอาจจะไปกังบนกับการจําย ใจมันก็จะเป็เกาะอยู่ความกังวลเนาะฉะนั้นคือตรงเนี้ยอาจจะเป็นเพียงแค่รู้สึกกับการเคลื่อนนะของแค่เพียงแค่พลิกมือไหลพลิกมือข้งตรงนี้ไปก่อนนะให้สบายๆใจสบายๆไม่กังวลแล้วก็เดี๋ยวมัก็จะค่อยๆไปได้เองเห็นรูปเห็นหลันทําอยู่เป็นประจำนะฮะเดี๋ยวก็ทําได้เองนะก็เราอาจจะไม่ต้องใจร้อนให้เป็นเดี๋ยวนี้นะ ให้จำท่าสิบสี่จังหะได้เดี๋ยวนี้แต่ว่าอย่างที่พระเจ้าโน้น ย, ยังนะหัวใจไม่ได้อยู่ที่จำท่าได้แต่ว่าหัวใจนะฮะอยู่ที่การรับรู้การเคลื่อนไหวนะเมื่อมีการที่เคลื่อนไหวเอาใจมารับรู้ตรงนั้นจะสำคัญกว่านะเพราะว่าตรงนี้ก็คือการที่ใจเรานะจะไปหมกพุ่นค้นคิดนะฮะก็ใจเราก็จะมีเคลื่องอยู่ใหม่ อันนึ่นก็คือมี่กายที่เคลื่อนไหวตรงเนี้ยนะฮะจะเป็นเคลื่อนอยู่ใหม่เราะฉะนั้นนีคือความคิดมากนะฮะความคิดมากการทุกข์กับความคิดหรืออะไรต่างๆแบบนี้ก็จะลดลงตางการที่เราได้กลับมารู้สึกกับการเคลื่อนไหวใหม่กลับมารู้สึกกับการเคลื่อนไหวที่ไร น, นะฮะใจที่เป็นจงทุกข์อยู่ครากสลับตรงนั้นมาในรูปอยู่ตรเนี้ย น, น, นะฮะเราอาจจะ เรานะ่ยสหรับคนเท่าสาหรับคนที่สูงอายุนะอาจจะเราติงกมือข้างติ๊กมือ่หลอยู่การเคลื่อนไหวตรงนี้ก่อนนะคพอได้กันเนาะพอได้ไหมใจอยู่กับการเคลื่อนไหวหรือว่าใจไปคิดมากกว่ากันนะคิดมาไหมมา <c ười> แล้วคิดยาวไหม ไม่ยาวนี่นะเราไม่ได้ฝึกว่าไม่ให้มันไม่คิดนะแต่มันคิดแต่เราสังเกตไหมพอมันคิดแล้มันจะไม่ยาวเพราะว่าเรามีกรรมฐานเออให้กลับมานะกลับมานะอันนี้คือนะมันจะไม่คิดไปยาวนะนะเนา ะ, นะให้เราลองเรียนรู้ตัวนี้นะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเรียกว่ันบ้าง น, นะเดิน เดินจงกลมนะเดินปฏิบัติทํากันนะนะเอาหนังสือเก็บไวน้นรับกระเป๋าเก็บไว้นะเดี๋ยวเราลุกขึ้นยืนตั้งแถวต่างตรงข้ามมตมานะนะตรงตรงหน้าห น, นันะงนนไว้เอียนะเอากระเป๋าวางบนรั้วไว้ที่ใดที่หนึ่งก่อ เราดูแถวได้สี่ห้าคนได้ไม่เยอเอามาเรียงน่าจเข้าเมันคล้ายๆเหมือนเราเข้าเข้าแถวหน้าขัตว์ทงนะถ้าไหนที่มันดูส่องบ้างแล้วก็ตั้งแถวใหม่เลยนะเดี๋ยวนะวันนี้คนยอะหน่อยจะตั้งตั้งแถวให้มันอ เพิ่มมากขึ้นอแถวหนูน้อยเสีเขียวก็อใครจะอยู่กับหนูน้อยสีเขียวอะอยู่แถวตาเพิ่มอีกแถวนึงเพิ่มตรงนี้ยแถวหน้าพระจานทร์แถวนึงว่ะเอพิ่มมาเพิ่มมาสี่ห้าตแถวขอบสุดก็อีกแถวก็ได้นะแถวขอบสุดก็เลยได้นะบางทีอาจเดินก็ แบ่งกันเดินเนาะอเดินด้วยกันก็เดินได้แต่เราที่จริงเดินจงกรมนะไม่ใช่แค่การเดินกลับไปกลับมานะไม่ใช่ค่การเดินกลับไปกลับมาแต่เดินอย่างไรให้ใจไม่มีคิดถึงเรื่องอื่นเดินอย่างไรให้ใจรู้ถึงการเดินอยู่อันนี้คือการเดินจงกรมนะจะเดินยาวไปพันเก้าหรือเดินยาวแค่อยู่กับที่หรือเดินกลับไปกลับมาแค่สิบเก้านี่ก็ ไปการเดินจงกลมเหมือนกันนะอันโยมลองลองเดินย่ำเท้าอยู่กับที่ก่อนนะลองเดินอะย่ำเท้าอยู่กับที่ไม่แหละไปเดินนะเดิอยู่กับที่หู่หนูลองเดินเดียวที่เหมือนหลวงพ่อต้มเดินนะหลวงพ่อต้มเดินอันนี้แหละนะการเดินจงกลมนะการเดินอย่างมีสติ รู้สึกเวลาเท้าสัมผัสพื้นรู้สึกเท้าที่ยกขึ้นไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องพูดในใจว่าเท้าไม่ยกเท้าสัมผัสไม่ต้องไปต่อครับบริกรรมอะไรนะรู้สึกโดยภาษาที่เป็นธรรมชาตินี่หละกายเคลื่อนใจรับรู้สัมผัสมันก็เป็นจริงนะเข้าใจไหมเท้าสัมผัสพื้นของจริงไม่ต้องพูด ยกขึ้นใหม่รู้สึกต่อทันทีให้ความรู้สึกมันต่อเนื่องแบบนี้นะความรู้สึกตัวที่มันต่อเนื่องไม่ใช่ว่ามันปิดจมอยู่อารมณ์เดียวแต่พอการเปลี่ยนแปลงของกายมันเป็นอย่างไรมันตามรู้ไปใหม่ทุกครั้งขณะไปตอนนี้สัมผัสตอนนี้ยกขึ้นตอนนี้สัมผัสตอนนี้ยกขึ้นมันรู้แบบนั้นนะบ่อยๆ บ, บางครั้งเดินไปใจเผลอวิธิตไปนั่นคืออ้า รู้ทันว่ใจเกิดคิดต้องกลับมาอยู่กับการเดินใหม่ดีกว่านะจ <c oughs> มันจะบอกตัวเองแบบนี้นะแห <c oughs> ็นไหมสัมผัสได้ไหมเท้าสัมผัสพื้นรู้สึกสบายๆนะ <c oughs> ใจรู้สึกถึงการเดินแต่เราไม่สงใจอยู่ที่ฝ่าเท้านะโยมนะ <c oughs> ไม่สงใจอยู่ที่ขานนะ ใจให้อยู่ตังขาให้เห็นว่ากายเนี้ยพลังเดินใจอยู่ตังขานะในที่นุ่พ่อครูเกียรติบอกว่าเป็นผู้รู้ผู้ดูตรงเนี้ยแะ่ะไม่ใช่ก็ไปอยู่ไม่ใช่ไปอยู่ที่เท้าไม่อยู่ที่ขาแต่รู้นะ่ะรู้ที่เท้ารู้ที่ขาหรือบางทีก็รู้คลายทั้งกายแล้วแต่สติจะรู้อะไรนะบังคับไม่ได้ บางทีสติก็ไปรู้จิตแม้จะเดินอยู่แต่มันเห็นจิตที่มันสงบเห็นจิตที่มันคิดออกไปนะบังคับไม่ได้เลยแม้แต่สติก็บังคับไม่ได้แต่สามารถรู้ได้ให้สติมารู้ที่กายที่ใจนะี่เลยบ่อยเนาะนเดินพอได้เนาะนะแต่ถ้าเดินอยู่กับที่เฉยๆนะบางคนก็อาจจะเรียกว่า ไม่เคยคุ้นอ่ะควนี้ลองเินแค่เดินมาข้างหน้าหนึ่งเก้าถอยปข้างหลังหแบบนึ่งเก้าแบบไหนอเดินแบบนี่นะเดินขวาหนึ่งซ้ายหนึ่งนั่งกลับมาขวาหนึ่งซ้ายนึ่นะั่งเดินไปข้างหน้าอ่ะอะหยุดสิกนึงถอยไปข้างหลังนะมีสติได้ไหม เนี่ยเดินข้างหน้านะใส่ข้างหลังเก้า อ, อี้ที่โต๊ะหน้าขอบเราว่าเลื่อนเก้าอี้ออกขออ้างหลังเนะเตือนแบบนี้ยังได้นะบางทีอยู่ในห้องมาจจะมาห้องเล็กๆนะประมาณสองเมตรคูณสองเมตรขึ้นมีตู้เฟี่สองตัวแล้วห้องแคบๆบางทีก็เลยยังคลมในห้องแค่แคยังท้าอยู่ที่ว่านะ เดินไปข้างหน้าค่อยไปข้างหลังนะัมีสติได้นะเพราะว่าเจ้าท่านบอกว่าที่คุณสําหติเธอจึ ง, งจมีสติขณะที่เดินไปข้างหน้าค่อยไปข้างหลังเดี่ยวซ้ายแย่ขวาคู่แขนเข้าเหยียดแขนขออกเนี่นแนหะละเราจะมันมีสติอนะ่ะตาไม่เห็นนะตาไ ม, ไม่ต้องไม่ต้องไปดูเท้าเลยนะให้ใจมาดูเอง อ, อยู่ข้างนอกมองออกไปสบายๆใจมันยืดหยู่นมือจเก็บไว้ั้างหน้าเก็บไว้ข้างหลังนะเพื่อให้คามเก็นพัดอยู่ที่เายที่เท้าไปในเกิ น, นทททเนท้านแต่มีให้ติดก้าวอยู่ที่เท้านะสบายๆนะอันนี้ เริ่มต้นตั้งแต่เดินจิตประที่ก็ได้เดินกลับไปกลับมาเก้าสองเก้านี้ก็ได้หรือจะเดินยาวก็ได้นะถ้าเราจรสถานที่เราก็เดินตามสถานที่ละกันเนาะคราวนี้จะเดินเดินมาจุดด้านหน้าแถวมาเราก็เดินกลับไปนะเอที่สถานที่อาง่ยของแส่ละแถวเนาะลอเราเดินนะให้แถวแถวแนวตั้งไงนะะเป็นตัวหลักเรื่องอะไรก็สุด ท่านน้าจะมาแล้วก็ขับตัวแล้วก so ็อเพื่อแถวเราเรามาจุดเพื่อนฝาดแล้วัดเนาะตัดแล้วก็เดินไปแขนที่เพื่อนเนี่ยตัด่เสร็เราก็สามารถรูจุดเพื่อในการย่าเท้าหรือว่าพี่ราเพื่อนได้นะเราก็เลยจะตรงรออ่นะไม่เดินข้าเดินไเนไปปกติธรรมดา ก็เดี๋ปับตัวไม่เสร็จก็ย้อมเ้างรอเดี๋ยวพี่เดินมาข้างหน้าเดินมาในหูแล้วปรับตัวที่ปัดตัวรอ แ, แล้วก็ย้อมเทยาเดี๋ยพี่ไม่เดิน้าเดินไปเนาะเดินสบาย สบายๆนะการกลับตัวจะชุ้ยให้ตัดความคิดขอกจกันทีวามเดินเดิดคิดคไปเอกลับตัวเ้า อันนี้ก็ฝึกปฏิบัติความได้เหมือนกันการเดินเป็นกบคืการเดินแล้วรู้สึกว่ากำลังเดินอยู่จิตใจเกิดคิดออกไปรู้ทันว่าติดเบอร์ทีอ่ออกไปแล้วก็กลับมารู้สึกการเดินแบนี้นะปฏิ ก, การเป็นกบไม่ใช่ติดแค่าทางเดินแบบนี้ แก่จิตภายในตัวจะเป็นแบบนี้ด้วยก็คือตื่นไปรู้ตัวไปจิตเผอไปหรือผันไป ที่จะ น, น้างยิงอยู่แล้ไกหน้าหนั่งลง กะกับในการยืนเดินนั่งนอนลุกขึ้นอะไรแบบนะี้เราสามารถมีส ต, ติได้ทุกครั้งนะเห็นไหมส ต, ติไม่ใช่อยู่แค่การเดินแต่พอรุกกลับมานั่งก็มีส ต, ติได้เปลี่ยนนิยาปวดก็เปลี่ยนอย่างมีส ต, ติได้อย่างทีนั้นเรานั่งปวดเมื่อยนะปีอย่างถ้านั่งยังมีส ต, ติก็สามารถเปลี่ยนได้นะ กาปรปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าทําแล้วจะไม่ปวดไม่เมื่อยนะไม่ใช่เอาความทนเอาควา ม, มานานเป็นตัววัดบางคนจนะคิดว่าเราถูกมายุแล้วเราเดินได้แค่พินาทีก็ปวดก็เมื่อยแล้วนั่งได้แค่นี้ก็ปวดก็เมื่อยแล้วผมทำไม่ได้ไม่ใช่นะบางทีเราจะเปรียบเทียบค น, น, นกระดืออีกคนหนึ่งก็เดินเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนั่งไปชั่วโมงสองชั่วโมงก็าทำไม่ได้แบบนั้น แต่ทีนะการวัดว่าเรามีสติได้มากหรือน้อยไม่ใช่ว่าความนานนะแต่มันวัดหรว่าทุกครั้งที่เคลื่อนไหวใจรู้ไหมหรือความเห่อไปของใจนะมีสติตามรู้ทันไหมอันนี้ยคือการวัดนะไม่ใช่การนั่งนานนานเดินนานๆนะอย่างเมื่อกี้เราเดินเกือบครึ่งชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นยังไงกันบ้าง ยิ้มยิ้มอะไรยิ้มขงตัวเองไหมขงที่มันกิมคิดไปแยกแยะสาราพาเลยเนะนาะขนาดต<อ>ั้ง ใ, ใจที่จะเตือนลีนสีิอยู่กับการเลยอแต่ความคิดกดจงุงกรชวนกรลอกให้เราคิดสารลาพเลยนะได้ไหมไม่อยากจะคิดก็คิด มันจีก็ไม่รู้เลยมันรอดตอนไหนแต่คิดไปแล้วใช่อนะืมคิดไปถึงที่บ้านตอนไหนก็ไม่รู้นะใจราว่าอะไรเนาะตัวนอย่างนีนะใจเผลอแกแต่ไปไปบ้าน่ะไปหาเพื่อนลนะมันเลี้งเร็วเนาะใจนะแต่ถ้าเรามีสตินะมันก็กลับมาได้กลับมาได้นะแนะม่หลวงพเทียนนะบอกว่าไม่ห้ามความคิดแต่ในหะ้รู้ทนะักความคิดถ้ามีสติเนี่ย ไม่ห้ามไม่ห้ามอะไรแแค่รู้อย่างที่เขาเปลียนในปัจจุบนันนะปัจจุบันเปียนที่อย่างไรอย่างตอนนี้นัาอยู่ใจรอยเป็ไหมใจลอยอื่นไหมมีมมไหมใจรอยจะทำ า, าังไงสับเหยียบท่าการเคลื่อนไหวไว้สักอย่างนึ่ง น, นะท่าการเคลื่อนไหวอาจาอนนจะ <c oughs> คือนิ้วแบบนี้ก็ได้ตี๊มืหนาติ๊้อง กำมือแรงอะไรก็ได้นี่ยใ้ให้สติมันมีเครื่องอยู่สักอย่างหนึงีการเคลื่อนไหวสักอย่างนะแต่ถ้าเราหน้าติเช่ยนะเคยสังเกตคนรบบเจรอยไหมมันเบือไปเนาะบางทีก็ไปกับความคิดต่างๆอันนั้นพอเรามีสติสร้างรูปแบบการเคลื่อนไหวสักอย่างนะนะยเออมันก็กลับมาได้ หรืเผลอไปก็เผลอไปไม่นานโดนเรียกกลับมาโดนเรียกกลับมาสตินั่นเหมือนคล้ายๆบางทีเขาก็เปลี่ยนเทียกเหมือนคน้ายเชือกที่ผูกกับวัวเชือกที่ผูกกับมา้กกบมาโต๊ดนะของเราเดินจุกหมาตรงนี้เนาะมันจะออกนอกรูน้ำตางแบบตะกุกมันกลับมาตะกุกมันกลับมาตะกุกมันกลับมาบางทีก็เรียกชื่อมันมันก็กลับมาใช่ไหม สติก็เหมือนกันเวลาเราเรียกตัวเองหลงไปแล้วนัดกลับมาหลงไปแล้วนัดกลับมาในหม่บางทีมันเรียกมันต้องอาศัยการเรียกกันสอนตัวเองแต่พอทําไปเรื่อยแค่รู้ว่ามันหลงมันกลับมาตัวมันเองแค่รู้ว่ามันหลงไม่ต้องไปต่นบันมันกลับมาตัวมันเองอันนี้ปติที่ลึกสุดบ่อยๆมันจะเป็นแบบนี้เงานแบบนี้อ่าแต่ก่อนมันต้องเรียกว่าต้องเผลอไปแล้วค่อย กระตุกกลับมาแต่ต่อไปมันจะคุ้นเคยกับความเป็นปกติมันจะไม่ค่อยยอมมันจะไม่ลื่นไม่ออกไปที่อื่นนะมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นประจำจิตนะมันคอยเฝ้าดูเฝ้ารู้รนะอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นประจำนะไม่ออกไปที่อื่นนี่คือมันจะมีสมาธิมากขึ้นอยงนะี้เนาะมีสัก5นาทีนะเพื่อ ใครสงสัยอะไรอาจะถามสักข้อสองข้อก่อนก่อนพักกลางวันมีไหมนะ <c oughs> เรื่องการปฏิบัติธรรมในสิ่งที่เราได้ทำในภาคเช้านี้นะหรือ <c oughs> สิ่งที่ได้ฟังมาสงสัยอะไร ก, <c oughs> ก็สอบถามกันได้นะ <c oughs> อัน <c oughs> เชิญ <c oughs> ด้านหลัง ก็ก็เราแค่รู้ทันเวลาเราเวรจิมันรีบบนว่าเบื่ออยากจะเลิกน่ยถ้าเรารู้ทันมันไม่บ่อยนะเนี่ยมันก็จะมันก็องไปตัดมาของมันเอีกนี่คือหนึ่งแต่ใหม่บางคนพอคล้ายๆเขาเรียกว่าอย่างปฏิบัติจะไม่ได้อารมณ์ก็คือว่ายังไม่มีความสุขยังไม่มีความสบายในการปฏิบัติความเบื่อความข้อความเรียกว่าอยาก ไอ้คิดนั่นคิดนี่มันก็มีเป็นธรรมดามีเป็นธรรมดาใหม่ๆก็ต้องมาแต่ความอดทนมันเสริมมันจะเบื่อมันจะท้อก็พามาเดินนะั่นแหละนะอย่าไปท้อตามมันจะไปเลื่อตามมันนะพอพามาเดินเรื่อยๆพอจิตมีสมาธิมากขึ้นจิตมันจะเรียกว่ามันจะตั้งมั่นจิตจะมีความสุขมีปิติคราวนี้โย่เอ้ยจะเดินชั่วโมงสองชั่วโ ม, ง, มงก็ไม่อยากขานะัด คนอยากคนจะเชิญไปทําอะไรก็ไม่ได้อยากไปทํามันอยากจะปฏิบัติต่อเ น, นื่องไปเรื่อยๆนะแต่แบบนั้นก็ไม่เอาเหมือนกันนะถ้าจําเป็นต้องไปกินข้าวก็ต้องไปกินจะไปทำความสะาก็ต้องอาจะไปต้องไปนอนก็ต้องนอ น, น, อ, นอันนี้มันบางทีจิตมันจะติดอารมณ์นะอารมณ์เบื่อกับอารมณ์แบบชอบแบบเพลย์เลยบางทีมันก็จะบนะนินนะใหม่ๆเนี่ยก็จะบินไนทางที่เบื่อนาย พอแท้ก่อนนะเบื้องต้นก็ก็ต้องมาใส่ความอดทนใส่ความเขียนเข้ามาเสริมแต่บางคนพอทํำ เ, เรื่อยๆติดอารมณ์ปฏิบัติก็มีนะอยากปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนไม่อยากส่งสิ่งกับใครไม่อยากทํากิจอื่นอะไรเลยอันนี้ก็ติดอารมณ์อีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกันนะเราก็ต้องกลับมาสู่ความเป็นกลางเป็นความเป็นปกติที่จิตไม่ติดกับอารมณ์ทั้งฝ่ายบวกกับฝ่ายลบเนาะใช่ไหม ก็ไม่เป็นไรโยมก็ค่อยๆทําไปเรื่อยเดี๋ยวเราก็จะมีสติที่เรียกว่าตั้งมั่นมากขึ้นมีความสุขมีความบาสบายมากขึ้นแล้วเราก็จะทําได้เพลินมากขึ้นแต่เพลินก็ไม่ใช่ไปติดเพลินเนาะอาศัยค่อยๆทาไปใหม่ๆก็ท้อบ้างเป็นธรรมดาทุกคนแหละต้องเจอบางทีมันม่วง น, นอนมากๆเนี่ยโอยมันอยากจะพักให้ได้นะบางทีมันเบื่อมากๆทําแล้วไม่เห็นผลเลย บางทียโยมสังเกต น, นะบางทีเดินแค่สินาทีน่าเบื่อแล้วนะแต่บางคนเนี่ยเขาตั้งใจปฏิบัติเป็นสิบวันไม่เห็นผลเลยนะก็ก็ต้องอาศัยปฏิบัติเหมือนกันนะปฏิบัติเหมือนกันอาศัย ค, ความเพียนเพาะว่านะแต่ก็ไม่ใช่เพียนแบบเรียกว่าทําแบบเรียกว่าเรียกว่าอะไไม่ไม่ถูกปรับเพราะถ้าเทียนบบไม่ถูกปรับ ก, ก็ทําไม่ได้ผลหรอกนะ มีสมัยพุทธกาล ร, รูปด้วยเจ้าท่านท่านก็เห็นพระพิสุรูปหนึง่งเดินจนกระทั่งเ ท, ท้าเลือดออก เ, อเรียกว่าเดินจนเท้าเป็นแผลเดินหางลุ่มหางค่าขนาดนั้นนะ่ะพุทธยาคุณบอกว่าเธอเดคยเป็นนักเปิงตีใช่ใชนนะ ไ, ไหมใช่ พ, พระเจ้าค่ะถ้าอ่าสายทินนะมันหย่อนเดินไปเสี่ยงจะเพลาะไหมไม่เพลาะพระเจ้าค่ะ ถาสายพิมมันตึงเกินไปมันจะเป็นอย่างไรมันก็ขาดพระเจ้าค่ะแล้วที่เธอเลยจมกองเป็นเท้าแตกเต็มเลือถออเนี่ยมันตึงมันหย่อนเกินไปอเขาก็ได้สติกลับมาอ๋อมันตึงเกินไปอนี่ว่าเป็นการทรมานกายแล้วก็ทรมานใจได้นะทรมานใจนะเก็ต้องให้มันพอดีนะให้มันพอดีการพอดีอาจจะใช้อยู่ใค่การ ว่าจะเดินมากเดินน้อยนั่งนานขนาดไหนไม่ใช่ตรงนั้นนะความพอดีของใ จ, จก็คื nurses, อว่าใจจะเกิดอะไรขึ้นเออไม่เป็นไรมันจะง่วงมันจะเบื่อไม่เป็นไรนนมันจะถุกมันจะสบายก็ไม่ติดมันไม่เป็นไรก็ใจที่พอดีคือตรงนี้นะจะเกิดอารมณ์อะไรเกิดขึ้นไม่เป็นไรจะเกิดอารมณ์อะไรเกิดขึ้นกับกายก็ไม่เป็นไรตอนนี้มันปวดก็ไม่เป็นไร ตอนนี้มันสบายก็ไม่เป็นไรจิตมันจะเป็นแบบนี้นะหลวงพ่อเขียนใจว่าไม่เป็นอะไรแบบอะไรอย่ากพุทธทายสบอก้อามันเป็นแค่นั้นเองจิตมันจะเป็นแบบนั้นบางทีความพูดอาจจะไม่เหมือนกันแต่อาการจะคล้ายๆกันมันจะเห็นแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นกับทุกสิ่งทุกอย่างมันเห็นแล้วก็ยอมรับตอนนั้น่ะละประมาเข้าใจว่าเออมันเห็นแล้วก็ไม่ยอมรับมันถึงว่าเห็นแล้วก็เป็นเฉยรู้นะรู้เฉย รู้แบบเรียกว่ารู้อยู่แต่เฉยๆแต่อารมณต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะจะบวกก็ดีจะลบ ก, ก็ดีก็รู้มันอย่างที่เป็นเนาะเพียงก็เพียงให้มันเรียกว่าเพียรในการรู้ไม่ใช่เพียงในการแค่เดินในการยกมือนะคือการทําความเพียงก็คือเพียงระบุลรอัอคุิผลที่เกิดขึ้นเช่นความปรุงแต่งเกิดขึ้น ความโกรธเกิดขึ้นละมันออกไปขนะุนศนก็คือสติสมาธิที่ยังไม่เกิดขึ้นทําความเพียรให้มันเกิดขึ้นนี่คือความเพียรความเพียรคือทำแบบนี้สติมันหายไปออกเรื่อสติกลับมากิเลสมันเกิดขึ้นอ่าตัดกิเลสออกไปนี่คือความเพียรแต่ที่จริงมันเหมือนเป็นมันเป็นเหมือนคล้ายเปลี่ยนสอกด้านความรู้กัความหลงนะสมมตินีความหลงเนาะเป็นด้าน เป็นด้านหลังมือความรู้เป็นด้านหน้ามือพ้าจิตเรารับรู้ตรงนี้ทีละอย่างเมื่อตอนนี้มันมีความรู้มีด้านหน้ามือความโลงมันก็หายไปนะมันก็เข้ามาแทนที่ไม่ได้แต่ถ้าความโหลงเกิดขึ้น ค, ค, ค, ค, ค, ค, ความรู้มันก็ลืมไปตกไปเหมือนกันนะมันก็กลับไปกลับมากลับไปกลับมาเลยนะเราก็เพิยแต่ว่าทําให้สติเกิดขึ้นบ่อยๆสติสติสติเกิดขึ้นทุกครั้งที่เคลื่อนไหวนะ ทุกครั้งที่รู้เทาทันใจอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมีสติคอยรู้ไปบ่อยนะไม่ยากเกินไปแต่ต้องมาใส่กำลังใจจากตัวเองนะในการฝึกนะแต่ให้ครูบาอาจารย์ให้เพื่อนฝูงให้กำลังใจเนี่ยมันก็ได้แค่ส่วนนึงเนาะเราต้องให้กำลังใจตัวเองมีความเพียรในตัวของเราเองเชื่อมั่นว่าเราแต่สามารถทําได้เหมือนกับพระพุธทธเจ้าทําได้ กับครูบาอาจารย์ก็ทําได้เหมือนกับผู้ปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติธรรมแล้วได้ผลเขาทําได้เราก็คนค น, นึงเหมือนกันนั่นแหละนะเราก็คนค น, นึ่งเราก็ทําได้เหมือนกันนะและที่สําคัญนะในหลายยุคในสมัยสมัยนีย้ไม่ใช่แต่คนที่ทํานะไม่ใช่ศาสตร์เธรรมนะไม่ใช่ศาสตร์เชลาชานะสมัยพู้จักรมีนกเขาฟีกันว่าอ๋อไปนกตัวนี้พอออกจากกงนะ บางทีเราเขาก็ไม่ได้ขั ง, งในกรงเป็นประจํานะ mm. เปิดกรงออกมาบินไปบ้านอื่นก็ไปคุยกับนกในกรงอื่นว่าอ๋อตอนนี้เธอปฏิบททัติธรรมสติปัฏฐานหัวไหนละ่ะตอนนี้นะฉันมีสติตามรู้กายขณะที่บินอยู่ mm. <c oughs> แตอาจจะคืยประมาณนะมีสติตามรู้กายอยู่นะเธอมีสติแบบไหนอ๋อแค่มีสติตามรู้จนะิตนของชั้นอยู่ไม่แต่ปฏิบัติฌานก็ยังปฏิบัติธรรมได้นะมันไม่ใช่แต่คนเท่านั้น แต่คนก็ในที่ว่ามีโอกาสมากกว่าสัตว์เจรนญฐานนะพงศ์ทีพร้อมมาดูว่าปัญญาของเรามันอันพร้อมกับสัตว์เจริญถนะือนะก็จะให้พวกเราได้อาศัยความเพียร น, นะค่อยๆศึกษาเป็นหลักไฟเนาะเดี๋ยวตอนนี้ก็คงพักเบรคกันก่อนนะเดี๋ยวตอนก็ประมาณใกล้ๆบ่ายโมงนะแล้วก็กลับมามัาเจอกันที่ห้อง้อีกอีกหนึ่งน ะ, ะจากทานข้าว เดียบร้อยแล้็ประมาณบ่ายโมงใก่้ใหล้บ่ายโมงก็เป็นเด็นกันเนาะอากาศขัอเข้า